พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองจุลโคปาละสูตรเปรียบผู้ประพฤติ ธ, ธรรมด้วยการพากโคข้ามฝั่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองอุ ก, กเจลาแคว้นวัดชีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่ล่อภิกษุเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว นายโกบาลชาวแคว้นมาคตตอนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าครั้งนั้นฝูงโคว่ายเข้าไปในวังน้ำวนวลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโกบานชาวแคว้นมาคตนั้นเป็นคนโง่ามาแต่กำเนิด ในศาสตร์สมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้าคงคาตอนปูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งนะักสถานที่ที่มิใช่ท่าแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่านึงก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในธรรมะ อันเป็นที่อยู่แห่งมารไม่ฉลาดในธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารธรรมะอันเป็นที่อยู่แห่งมารหมายถึงธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามอีกในยะหนึ่งหมายถึงมารห้าจำพวกคือกิเลสมารขันธมารอะิสังขารมารเทวปุตตมารและมัจจุมารธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมาร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 นายโคบาลชาวแคว้นมคตต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่เป็นท่านายโคบาล น, นั้นต้อนเหล่าโคที่เป็นจ่าฝูงซึ่งเป็นผู้นำฝูงให้ข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นวายตัดกระแส ม, แม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคที่มีกำลังและ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 เป็นคนฉลาดมาแต่งกำเนิดในศาสตร์สมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะนักที่ที่ใช่ท่าฉันใดสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้า สลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารสลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุสลาดในธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเหาโคผู้ที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงวหว้ตัดกระแสะม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันตขีนาศก็ฉันนั้นเหมือนกันอยู่จบรมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทำสำเร็จแล้วลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภะวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ว่ายตัดกระแสมแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่บรรลุอนาคามี แล้วไปเกิดเป็นอบปฏิกับที่ชั้นสุดทาวาสก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะโอรัมภากิยาสังโยศห้าประการสิ้นไปจึงปรินิพานในโรมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแส่านข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าโคหนุ่มและโคสาวว่ายตัดกระแสแม่น้าคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นสกทาคามีก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี เหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยตสามประการซึ่งไปจึงไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี ลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่วายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เป็นธรรมานุสาวรีและเป็นสัทธานุสาวรีคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาบันมีศีลวัตเช่นพระโสดาบันร่างพร้อมด้วยโสดาปฏิมา ก็ชื่อว่าไหวตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกะระทมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุ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 โลกนี้และโลกหน้าตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้วตถาคตผู้ตรัสรู้เองทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มานไปถึงได้และที่มัจจุราชไปถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดประตูแห่งอมะตะคืออริยมรรคเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีใจบาป ตถาคตตัดได้แล้วกำจัดได้แล้วกำราบได้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทปรารถนาอารหัตผลคือธรรมะอันเป็นแดนเกษมเถิด